อันสาทุชนพุทธบริษัทนันดา ญ, ญาโยมพุทธบริษัททั้งหลายแล้เพื่อนพิสุสมันเนนสำหรับวันนี้ยังเป็นวันที่สิบเจ็ดกรกฎาคมสองพันห้าร้อยี่สิบเจ็ดอยู่วันที่สิบเจ็ดสิบแปดความจริงผมพูดมาเท่สามหน้าแล้วพอกว่าผมว่าวันที่สิบเจ็ดเป็นความจริงไม่ถูกนะ มันเป็นวันที่สิบแปกดกรกฎาคมสอง7ห้ายี่กกิบเจ็ดตอนนี้ก็เป็นหนา้าที่สี่ว่าประโยชน์แห่งการเจริญมนโนยิทธิความจริงเวลานี้ทางคณะสงฆ์ได้ประกาศให้ทุกวัดเจริญสมาธิกรรมธาน จะเป็นสมถะวิปัสนา์ก็ได้เป็นการเจริญสมาธิแต่ความจริงผมก็ดีใจที่ผมไม่ต้องรอให้คณะสมประกาศผมทำก็มอมพัมมแล้วเป็นสิบสิบปีหลังจากที่หลวงพ่อานฝึกให้ผมได้บ้างเป็นแบบเป็ดคือ <c oughs> ผมมีความรู้ในกรรมฐานแบบเป็ด แล้วเป็ดก็ไม่ใช่เป็ดเท่เป็นเป็ดไทยบินไม่เก่งร้องไม่เก่งเดินไม่เก่งเตาะแตะเตาะแตะไปตามเรื่องตำราของผมผมก็อุตส่าห์นำประโยชน์เล็กๆ น, น้อยๆที่มันได้จากโมโนยิธิแม่แนะนำบรรดาเพื่อบิสุสมันเณนแล้วก็บรรดาญาโยมพุทธบริษัท อ, ม บ, อมบาสุกอุบาสิกา ความจริงได้วิชาสามหรือว่าด้านมโนยุตินี่ผมปลุกปล้ำมาเป็นสิบสิ บ, ส บ, สบปีญาติโยมก็สนใจบ้างไม่สนใจบ้างผมก็ไม่ว่าผมไม่เคยว่าผมไม่เคยเบื่อโดยเฉพาะสุขด้านสุขวิปัสสโกญาติโยมสนใจมากผมก็เอาญาติโยมชอบอะไรผมก็ไปแบบนั้น ที่ไหนญาติโยมชอบสุขภาวะเสโกผขาก็แนะนําได้สุขภาวะเสโกญาติโยมที่ไหนต้องการด้านตีวิชโชเขาได้แนะนำด้นตีวิชโชญาติโยม พ, พวกไหนต้องการชลปิญโญอันนี้ผมสอนไม่ได้ผมสอนได้แต่มโนยิทธิแบบเป็ดๆ เ, <c oughs> เรียกว่าพอไปถึงสวรรค์นรกได้ด้วยกำลังของใจ ไม่เอากายเนื้อไปเ อ, เอากายในไปผมก็ดีใจจนกว่าคณะสนจะฝสว่วนคณะสง์จะแจ้งมานี่ผมทำมาแล้วแนะนำมาแล้วเกินสี่สิบปีก็ลงความว่าผมก็ดีใจที่นักสงฆ์ได้เห็นชอบโดยคำว่าประโยชน์ใหญ่จริงๆ <c oughs> ในการมีประโยชน์เมื่อเร็วๆนี้ ท่านมาสมัมมนาพราะสังฆาธิการผมก็บังเอิญได้รับการแต่งตั้งปเป็นพระสังฆาธิการคือเป็นเจ้าวาดเป็ดๆอีกแล้วไม่กี่วันความจริงตําแหน่งนี้พโยโนทิ้งมาเทียงแล้วและตําแหน่งต่างๆที่พึงได้พโยโนทิ้งหมดผมไม่เคยสนใจเพราะมันเป็นปัจจัยของความทุกข์ แต่นี้เป็นการบางเอื่นมาวัดผมสร้างผมหนีไม่ได้หนีไปแล้วถ้าวัดนี้ผมไม่สร้างนะแต่ความจริงวัดนี้จริงๆมันมีสภาพเป็นวัดรร้างเดิมทีเดียวอพันสามมีเจ้าวาดองเดียววัดก็มีแต่ทุดโมมาตางดับไม่มีอะไรดีขึ้นมีแต่หายไปพระพุทธรูปก็หมดไป ไฟก็ตีดีๆก็หมดไฟก็ตีดีๆก็หมดไปท้ป <c oughs> ของดีๆมีไม่ได้ก็หมดไปทั้งหมดก็ลงความว่ามไม่มีสภาพจะถึงสบาระร่างอยู่แล้วผมก็โนดเด๋โดเ ด, ด, เดมาําเรื่องทํา ร, ราวแต่ว่าเอิน ญ, ญาติโยมมาสนับสนุนที่แหลกคิดว่าจะทำนิดๆหน่อยแล้วก็เปิดเข้าถ้าเข้าป่าไปเลยดีกว่าผพว่าอย่างนั้น แต่มาญาติโยมหลายท่านแต่สนับสนุนเอาก็ตังมาให้นี่ผมไปก็ไม่ได้ไปก็เป็นขมโมยเงินเขานี่ถ้าจะวางให้คนอื่นก็มีหวังจะไมรู้จะวางให้ใครดีไม่ดีไปวางให้โจรเข้าปล้นเงินบรรดาญาติโยมพุถวริษัท์ผมก็พลอยตกรกไปด้วยยี่แรกก็ตัดสินใจว่าทำแค่นั้นเสร็จแค่นี้เสร็จก็จะไป ในเมื่อไปไม่ได้ก็สู้คำว่าสู้นี่ยไปไปสู้ไปตีใครสู้กับพลงังศรัทธาข้ามดาญาโยมพุทธบริษัทเอาไงก็เอากันวัดนี้ที่เจริญรุ่งเรืองขึ้นมาได้อาศัยมโนยทธิช่วยอาศัยกรรมฐานช่วยอันนี้เป็นตัวอย่างแล้วก็มีหลายวัดที่พระตนฝึกไป มีคนเขาไม่แจ้งให้ทราบว่าพระองค์นั้นพระองค์นี้มาฝึกไปจากหลวงพ่อแล้วไปถึงท่านรุ่งเรืองจริ ง, รงๆวัดกนท่านสง่างามคนเข้าช่วยเหลือในการก่อสร้างเพระกรรมฐานเป็นปัจจัยนี่ระบรรดาเพื่อนิสุทา์สมานนินผมว่าความสะอาดของจิตของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านไปไหนท่านไม่เคยอด พระพุทธเจ้ามีพระมาถไรก็มีที่พักมีอาหารบริโภคมีอาหารฉันเพราะจิตถ้าสะอาดพวกเราความสะอาดของจิตไม่เท่าพระพุทธเจ้าได้ยเพราะอย่างผมก็ไม่สะอาดสเสลยหน้าก้อยลูกพอเลืนเล่นเมื่อจิตคงจะไม่มีสภาจิตจะแจ่มใสเป็นดาวกปลยไกลพลิกถ้าจิตเป็นดาวเปลไกลพลิกเป็นไปจิตเพระอรหัน ผมก็ไม่รู้ไอจิตก็ผมผมไม่เคยสนใจจิตใจของใครผมเวลานี้ผมไม่สนใจใครทั้งหมดเมื่อก่อนนี้ผมก็แบบเดียวกับเลขานุการเอกสิงคโปร์ที่ประจำประเทศไทยลู้สิธิ์พลเอกทนทองสุวรรทัศน์นั่นแหละปรากฏว่าผม ราปรากฏเจอใครดินชื่อใครไม่ได้รอปับทันทีดินชื่อปับอันดับแรกใช้เจโตเรียนก่อนดูจิตของคนนี้มีสภาพเป็นยังไงดูไปดูมาจะเรียกว่าเวลานั้นผมก็เป็นเป็ดตัวเล็กๆเว ล, ลานี้ตัวใหญ่ก็เป็นเป็ดไทยไม่ใช่เป็ดเทศ เป็นเป็ดตัวเล็กๆไปเจอพระสำคัญเขาพระโอ น, นี้สำคัญจริงๆพอก็บอกชื่อปับ๊บผมก็จับจิตปุ๊บโอ้โหโอ น, นี้ประวัติเบื้องหลังใช่ตีตางสียานยาวเหยียดยาวเนี่ไม่ยชไม่ใช่เวเหยียดนะดีเหยียดตัด้งใจบทมาทุดดงตลอด เวลาที่ใกล้บรษาที่ไหนขอจำํำขอใส่วัดจํารรษาพอเลืด อ, ออกบรรษาแล้วก็เดินทดดงต่อไปและกําลังใจของทนเวลานั้นท่านสูงกว่ผมมากความจริงเวลานั้นผมยังน่มอยู่แล้วก็ผมยังไปเป็ดที่เดินตัวเล็กๆ เ, เดินต่อแตกต่อแตกต่อแตกเดินก็จะชนจะล้ม ไปดูใจถึ้งกระพรับท่านปิดปุ๊บทันทีมืดตื่อเลยอันนี้เป็นเครื่องวัดผมเชื่อมั่นรือว่าพระองค์นี้ดีจริงๆถ้าไม่ดีจริงปิดไม่ทันอารมณ์ใจเนี่ยมันรู้กันได้ง่ายๆเมืไหรใครเขานึกอะไรมาในี่ยใครจะรู้นี่เราพอนึกปั๊บท่านปิดปั๊บหันมาเลยยิ้มท่านพูดเรื่องอื่นอยู่หันมาพูด คนเรามันก็แปลกนะไอ้คนอื่นเขาได้คิดว่าตัวจะได้บงังมันไม่มีทางไม่มีทางจะจะทําก็ได้คําว่าคําไม่ทํามันได้หมายความรู้ไม่ได้แน่ฉันจะปิดเท่านี้ผมชื่นใจผมกราบได้ทันทีกราบด้วยความสนิทใจว่าท่านเก่งจริงๆ้การเก่งอย่างนี้ตามสันนิษฐานของผม พ่าพระองค์นี้ต้องไม่ใช่ปัญญาหกเข้าใจว่าจะเป็นปไปิเสวิท ย, ยายานว่าคุยกันอยู่แท้ๆคนต้องเยอะเรานลืกพับปิดพับทันทีแล้วหันมายิ้มเลยนี่เก่งจริงๆความจริงพระในประเทศไทยเราอย่างนี้มีเยอะในกรุงเทพก็มีอย่าไปนึ ก, กว่าพระในกรุงเทพที่ไม่ดีนะมีนะเะเยอะจ้ะ จะไปชนพระดีตายแต่ความจริงพานดีท่างไม่โอทงนะเราไปคุยกับท่านก็แบบธรรมดาธรรมดาดีไม่ดีจะ่คิดว่าไอ้ลุงตาถุยถุยตรนี้ไม่มีความหมายระวังให้ดีนะเพราะผู้นี้ถ้าไม่มีอะไรท่านไม่มีอะไรจะอดพราะความจริงมหาเศรษฐี จะนำรับหมาสารไปโอดขอทานมันก็ไมไ่มีประโยชน์และขอทานก็จะมีอะไรมาเบ่งนี่พระดีๆก็เหมือนกันที่ผมเข้าไปท่านก็ทำจ้องๆเพราะอะไรไหมเพราะว่าไอ้ผมเป็นสภาพขอทานขอทานคือความดีผมมีนิดเดียวกระจุงก็จิ้มไปเป็ดเด็เปะแปะปะแปะ ในเวปชนกับพระที่มีความดีได้ยังไงท่านก็เลยไม่ใจรอวดท่านก็เลยเก็บเงียบทํำให้คนไม่มีอะไรนี่เป็นความดีของท่านเราดีไม่เท่าท่านท่านก็ทําตัวลงมาเป็นความดีที่ควรจะบูชาและโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่บรรดาทางราชการมั่งเห็นพระท่านว่านะพระท่นานบอกว่าทางราชการคอพระอบรมศีลธรรม แต่ความจริงและอบรมสินธรรมนี่นี่มนผมไปที่ไหนผมไม่ไปคราบรรดาเพื่อนพิโสสมเนรหลายวัดที่บอกผมไปพวกที่นอนพูอที่นี่จะให้บอกเลยครับผมไม่ไปแน่นอนถ้าึืนไปแล้วมันไม่ได้เกิดประโยชน์โทษก็เกิดกับผมด้วยนั่นคือผมป่วยไข้ไม่สบายแก่แล้ว เวลาจะพักจะพ่อนก็ไม่มีเวลาไปถึงหนะที่ไหนนั่งแก้วรอถึงเวลาพูดคนแล้วก็นั่งแก้วอีกไม่มีเวลาพักค่ออันนี้มันไม่ไหวจริงๆและอีกเบริการหนึ่งการพูดไม่มีผลผมเทศมาตั้งยี่สิบปีไม่เคยมีญาติโยมเลิกสุราไม่เคยดีขึ้นเลย ไปแค่ที่ไรก็แข่นั้นไปทีไรก็แข่นั้นไปไปมาเป็นกลายแล้วเป็นรั บ, บจ้างเทศไปรู้บางแห่งเขารู้สึกว่าผมไปรับจ้างเขาเทศไปเทศเอาเงิน <c oughs> ผมก็เลยท้อใจไม่เกิดประโยชน์เืิอเลยว่านั่งคิดใหม่ว่าทำยังไงนอะเจ้าสนองคนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าได้ กลับมาใหม่มาวา่าเรื่องพระกรรมฐ า, านจึงมาพิจารณาด้านสุขภาพจิตโกรธคนน้อยอีกญาติโยมทําได้ญาติโยมเมื่เจอคุยกันเวลานั่งนั่งนานเท่านั้นนั่งนานเท่านีนนนนน้อารมณ์แบบนั้นอารมณ์แบบนี้มันก็ไม่จริงแล้วก็รักษาอารมณ์ได้ไม่จริงก็เลยคิดว่าจะสอนได้สองในวิชาสามแล้วก็มโนยิทธิ ที่ว่าสองในวิชาสามาเป็นฌานโล ก, กีเป็นสมาธิตำ่ตำๆคำเกียงไม่ถึงฌานสองในวิชาสามนี่ขึ้นในอุปจารสมาธิยังไม่ถึงฌานสมาบัติก็ผมบอกแล้วเดี๋ยวผมเป็นเป็ดน่าจะออีกแล้วไ <c oughs> ปไปามาก็ไม่จับได้แล้วสองในวิชาสามายมเอาไม่ได้อีก หาวิธีการต่างๆหลายอย่างหลายแบบเพ้สั่งพระพุทธรูปอภูรูปเพ่งพระพุทรูปดูพระแก้วดูพระทองก็ไม่ไหวอีกไปไม่รอดไปไม่รอดท่ายัางไงฮัมมาจามับมโนยิธิเถอมมโนยิธิตาม ก, กำลังที่ผมศึกษามายังไงไงโยมรับไม่ไหวแน่เพราะต้องใช้กำลังมากใช้เวลามาก ไม่เหมาะกับบรรดา ญ, ญาโยมพุทธบริษัทและก็ไม่เหมาะกับพระที่บทใหม่ๆใช้เวลาน้อยๆในที่สุดก็มาหาทางให้ง่ายและให้เร็วตามที่ฝึกอยู่เวลานี้กว่าจะค้นพบก่อนนา น, า น, นการฝึกมโนโยท ธ, ธิมีประโยชน์แบบไหนมโนยทธินี่เป็นจุดบังคับจริงๆ ถ้าอาติโยมพนบริษัทชายหญิงที่มาฝึกเนี่ยผมก็ไม่มั่นใจว่าท่านจะรักษาได้ทุกคนมีบางรายให้ไปแล้วศูนย์ทำได้แล้วกลับไปบ้านบอกว่าไม่กล้าทำเพราะไม่มีครศสอนอันนี้เราก็ไม่ติกันเพราะอะไรความเข้มแข็ง ข, ของจิตที่พระเจ้าทรงเรียกว่าบารมีไม่เสมอกัน ท่านมีกำลังต่าแค่นั้นแล้วจับโยนเขาไปที่สูงยอดไม้ทึงนก็นหลน่นบางลายทำไปได้แล้วไปปลวอยเสื้อไปบอกไว้ที่บ้านมันไม่สว่างสวัยคือว่าไม่สามารถจะทำไปแจ่มใสมันเมือเมืม่อมาอยู่ที่วัดอันนี้ก็ทราบได้ก็กลับไปบ้านท้าไปทำสิ่งขาดตามเดิมท่านไม่ทรงความดีเหมือนท่านที่ปฏิบัติอยู่ที่นี่ ปฏิบัติอยู่ที่นี่ถนาาัสาความดีไว้ได้สภาพของจิตเรสาสัมไสอารมณ์ยังเป็นโล ก, กีวิสัยนี่มันไม่ท่งตัวแต่ว่าส่วนใหญ่ดีมากเพราะอะไรเป็นกฎายตัวของโมโยธิที่ต้องทำมันก็ตรงกับที่คณะสงฆ์ขอร้องมามโนยิธิจริงๆที่จะใช้ทรงตัวฟังตามนี้นะ ญาติโยมพุทธบริ ษ, ษัทก็ดีบรรดาพรเพื่อนมิสูสมเณีที่นั่งฟังก็ดีหรือว <c oughs> ่าจะให้ทรงตัวจริงๆต้องเอาอุทุมบริการสดมาอ่านกันว่าพระพุทธเจ้าทรงตัดไว้อย่างไงคนเย่อเล่าจดยย่อๆสําหรับด้านสกเก็ดพระพุทธเจ้าพูดไว่มากผมย่อเอาวันหนึ่งเราไม่สนใจจริยาของใครเสียเลย สองไม่อโอดสามไม่ยกตนข่มท่านแล้วก็สี่ไม่แล้วไม่ทือตัวเกินไป <c oughs> เอาย่อๆเท่านี้อ้การความดีขนาดนี้พระพุทธเจ้าทรงเรียกว่าสเก็ตยังไม่ใหญ่โตเข้าไปเกาะสะเก็ตนิดๆของพุทธศาสนาอันนี้ต้องสัเกต ถ้าใครปฏิบัติไม่ได้อย่างนี้ก็เกาะสเก็ดไม่ได้ไม่ต้องไปดิวดูต่อไปแล้วญาติโยมที่รักษ า, ามนุษย์ยิ่งเไว้ได้ดีท่านรักษาไว้ได้ดีและอันดับที่สองการเข้าถึงเปรียกพระพุทธเจ้าทรงตรัสวันหนึ่งเราต้องไม่ทําลายสินด้วยตนเองสองไม่ยุยงส่งเสริมให้บคุคคลอื่นทําลายสิน สามารถยินดีเมื่อผู้คนเดินทำลายสินแล้วก็ลงความเราจะรักงสาสินให้ครบทนแจ่มใสแต่หลังจากนั้นจิตมีความเข้มแข็งสามารถระ ง, งับนิวรณนได้ทันทีทันใดาตามที่เราต้องการ <c oughs> ไอ้นิวรณ์กับปฐมชาตนี่เป็นศัตรูกันถ้าขณะใดอรมณ์นนิวรณ์นิดหนึ่งอย่างใดอย่างหนึ่งมีขึ้นในจิต เวลานั้นกําลังเขาสมาธิจะสลายตัวทันทีเวลาใดที่จิตสงบจากนิวรณ์นิวรณ์ไม่โฟสงบเวลานั้นกําลังจิตสมาธิเป็นปฐมฌานทันทีไว้ืกันโดยไม่ต้องภาวนาไม่ต้องทํำอะไรเลยถ้านิวรณ์ไม่โฟขึ้นปฐมฌานก็มาถ้านิวรณ์มาปฐมฌานก็ไปก็แลกกันไปแลกทํามาอย่างนี้ แล้วการต่อไปอาการที่จะส่งตัวมีความแจ่มใสของจิตจิตจะผ่องใสต้องการรู้ต้องการเห็นอะไรเมื่อะไรได้ทันทีทันใดแล้วมีสภาพไป่ิดแจ่มใสด้วยนั่นก็คือพอมิหารสี่ <c oughs> พอมิหารสี่ก็หนึ่งเมตตาความรักมีความรู้สึกไปเสมอว่าเราจะรักคนรักสัตว์เสมอด้วยตัวเรา เราอยากจะฆ่าตัวเราไหมไม่มีใครอยากฆ่าอยากจะขโมยของเราไปทิ้งเราเราไม่มีร่วมความ ร, ารักเขาเป็นวิธีดีสําหรับเขาถ้าโอกาสมีเราจะเกื้อกูลเขาให้มีความสุขตามกําลังที่เราจะพึงทําเราจะไม่อฉาดเสยียใครเม้บุคคลอื่นได้ดีเพรายินดีด้วยใครเพ่้งพร่ํำเราไม่ซ้ําเติมระวงังเฉยระวงังเฉย อารมณ์อย่างนี้บรรดาท่้งระบรสัทว์พระมิหารสีนี่ถ้าว่าจำใจไว้เสมอศีลก็บริสุทธิ์ทานการจาคาก่อสมบูรณ์แบบแล้วก็สมาธิก็ต่างมันวิปัสนาญาณคือปัญญาก็แจ่มใสเพราะอารมณ์ใจเยือกเย็นก็เป็นกำลังใหญ่เขาตัดโลภะความโลบโทสะความโกรธโมหะความหลง จ, จิตจะสะอาดตลอดเวลาจิตมีความเยอกเย็นอารมณ์เป็นฌานตลอดเวลาต้องการจะรู้อะไรขึ้นมาแล ง, งับในวันปั๊บเดียวมีความรู้สึก จ, จิตแจ่มใสสะอาดทันทีทำได้อย่างนี้ถือว่าเป็นการทรงฌานโลกีฌานโลกีจะทรงตัวไม่มีการเสื่อมคลายไม่มีการถอยหลัง อันนี้ญาติโยมพุทธบริษัททําได้ดีมากเยอ ะ, ะรักษาลมทั้งหมดนี่ว่าคำว่าอันนี้พระพุทธเจ้าทรงเรียกเข้าถึงเปลือกที่องค์ทรงสอนแปลว่าเปลือกความดีนี่บรรดาญาติโยมพุทธบริษัททําได้เยอะจริงๆรักษาไวด้ดีๆทาให้โลกทําให้ประเทศชาติมีความเยือกเย็นมีความสามัคคีกันมีศรัศาทธาภาษาธาตุดีสอด แล่ต่อไปปปเพนิวาสันติญาณที่เข้าถึงัะพีการลึกชาติได้ถึงไม่จะเป็นการลึกชาติแบบเป็ดๆ เ, เขาก็ทำกันได้บรรดาท่านเพื่อนพิสุสมณีทั้งหลายบางท่านฟังแล้วยะโอตริมนุษธรรม <c oughs> หาก็หาไปเถอะแต่อย่าลืมว่าคนก็ทำได้ เวลานี้เวลาฝึกครูเขาฝึกกันผมไม่ได้ฝึกเองผมเอาจจะเป็นเพียงใบาทานนอนเป็นประทานอยู่ที่นั่นบ้างนอนประทานนิโกติบ้างบางที่ให้ใจครอกคลอกของถ้าอย่าตายบ้างวันที่ก็นั่งงงเงย ง, งงเงยอย่างเวลาเมื่อสองวันนี้วันกับกวันนี้งงเงยบอกไม่ถูกวันที่ยี่สิเจ็ดไอ้ว่าเขาโตวันที่สิบเจ็กันที่ปลายกรกฎาคมสองพันหรอยี่สิบเจ็ด มันจะทรงตัวไม่ไหววันที่สิเจ็ดกรกฎาคมชาวสามพราณมาเจ็ดสิบคนกว่าลงรับไม่ได้แขกมันไม่ไหวจริงๆทร ง, งตัวไม่ได้วันที่สิบแปดนี้ก็ดีอยู่พักหนึ่งตอนเย็นทักจะไม่ไหวอีกเมืกันเวลานี้ก็เลยต้องนอนพูดสบายพูดมันไปอย่างนี้ ถ้าเมียตายในระหว่างธรรมะก็อยอมอันนี้ประโยชน์ใหญ่สำหรับปุกเพริวาสานุนติยานการเลิกชาติญาติโยงก็สามารถทำกันได้อย่าลืมว่าครูเป็นเป็ด้องสิธิ์คงจะไม่เหยหงแต่ก็ดีไม่ดีลกูกศิษย์อาจจะเป็นหงก็ได้อย่างท่านโลรุทายี ท่านไม่เอาไหนจะสามารถแนะนําให้พระทั้งหลายสามารถไปได้ดีเขาไม่ดีจากท่านหรอกเขาเรียนมาจากพระเจ้าแต่วาบางรายท่านก็ทําเขาเปิงไปเหมือนกันสําหรับท่านโลลุทายีท่านไม่ใช่เปรท่านเป็นานยังท่านจักขุบาลท่านจักขุบาล น, นี่ท่านเป็นวิสัยสุขเ ว, วสกโก <c oughs> แต่พระที่อยู่กับท่านได้เป็นสมิทายานกันเป็นแถว นี่ถือว่าครูเป็นเป็ดแล้วลูกศิษย์จะเป็นเป็ดเสมอไปไม่ใช่รครูเป็นเป็ดลูกศิษย์อาจจะเป็นหงษ์ทองก็ได้ที่นั้นผมก็ในขั้นอัคคาตาโรตะถากาการาประพฤติปฏิบัติเป็นหน้าที่ขบรญดาญาติโยมพุทธบริษัทโดยเพิ่นบิณฑษสมณีผมมีหน้าที่บอกเท่านั้นเองผู้รับฟังอาจจะทําได้ดีกับผู้บอกเยอะแยะไปทงเถรไป <c oughs> เป็นอันว่ากระพี้ในพุทธศาสนาญาโยงก็สามารถส่งตัวได้ต่อมาแก่นจูทุปาปาติยานหรือทิพิคุยาณท่านก็ทำมันได้กันอีกถ้าต่อมาปัจจุปนังสยานก็ดีอธิตังสยานก็ดีอนนาคตังสยานก็ ด, ยยกดีท่านทำกันได้ดีมากดีจนทั่งท่องเที่ยวไปเจอพระในนรกเนี่ย เป็นพระชางซีดอซะด้วยแล้วก็อัปลกการบ้างอเวจีบ้างแล้วก็เจอพระในปัจจุบันเนี่ยใกล้ไลในสวรรค์บ้างพร ม, มโลกบ้างเลยพรมไปบ้างทำให้กำลังใจญาติโยมพุโดยสัตว์มั่นคงในความดีแล้วก็สดหดหูทอดถอยในความชั่ว จะลืมว่าทุกคนยังเป็นผูุ้ชนยังไม่หนักแน่นนักอาจจะพลาดได้แต่พลาดน้อยดีว่าพลาดเป็นปกติคําแนะนําที่ให้แนะนําไว้เป็นปกตินักก่นก็คืนหนึ่งทุกคนยังอย่าลืมความตาย <c oughs> แล้วตายแล้วไม่ใช่ตายศูนย์ตายศูนย์อีสศาสนาหนึ่งไม่รู้ศาสนาไหน ยินเสียงทางวิทยุบงังโทรทัศน์บ้างหนังสือบงังตายแล้วสูนตายแล้วสูนก็เป็นเรื่องของท่านเราจะไปทำหนีท่านเมื่อท่านจะสูนก็เป็นเรื่องของท่านสูนพวกเราลูกศิษย์พระพุทธเจ้าเราไม่สูนเราไม่สูนเพราะว่าเขาได้ตีต่างสิญาณถอยหลังกปกปิวาสันติญาณถอยหลังเขารู้เขาเคยเกิดมาแล้วตั้งหลายแสนวาระ หลายสงไขยกับเขาก็ยังไม่สูญอ น, นาคาตังสิยานวันดาญาโยมพุทธบริษัทเป็นได้เพื่อนพิสุสมณเดจสามารถพิสูจน์พระ ท, ที่ใหญ่ใหญ่โดยฐานะคือใหญ่กว่าตัวท่านเองฐานะสูงกว่าอันดับไหนก็าตามว่าจะไปทางไหนเขาเขาทราบ แล้วปัจจุบันอัสยานไปชนกันในนรกเลยแล้สามารถคุยกันได้รู้ปฏิปทาความชั่วเ <c oughs> มื่อรู้อย่างนี้แล้วก็ทําให้ทุกคนทราบและเกิดความกลัวว่าถ้าเราทําอย่างนั้นบ้างอาจจะต้องมีโทษอย่างนี้อันนี้ก็ต้องไปนายทัตังสยานพิสูจตัวเองว่าถ้าทําอย่างนั้นจะไปที่ไหนก็ทราบได้อีก ตอนนี้ระบรรดาเพื่อนมิสุสมนเณี <c oughs> <c oughs> เป็นเหตุบรรดาพระก็ดีคารวะก็ดีที่เขาได้แล้วเขามีความมั่นคงเอาเฉพาะคนที่มั่นคงนะที่เลอะเทอะมาประเดี๋ยวไปนะไม่ได้เรื่องอะไรบางทีม า, มาคืนเดียวไปไม่เมียผมไม่ใช่พระพุทเจา้ามาเดียวเดียวจะได้อะไรแล้วก็มาไปมาไปไประเภทมาคืนเดียวนี่ผมไม่สนใจ ไม่สนใจเพราะท่านไม่เอาจริงแค่ใช้เวลาหกเจ็ดวันมันเป็นของไม่หนักชีวิตท่านท่านชีวิตท่านจะอยู่ไป น, นานถ้าเวลาว่างห้าวันว่างไม่ได้ผมก็ไม่สนใจถ้าใครมาอยู่เพื่ออยู่ปฏิบัติสามสี่วันห้าวันถึงเจ็ดวันผมสนใจพิเศษบางทีผมป่วยข้สบายผมคลานตมเตียมตมเตียมไปให้กำลังใจ ลงใบสอนเองให้กำลังใจคนทั้งนี้ท่านดีนี่ระบรรดาเพื่อเป็นโสสมนเองแล้วก็วัดไหลายวัดที่ได้รับความรู้นี้ไปถ้าไม่วัดจะเรียนเรียงถ้าคนนี้ก็รู้เหตุรู้ผลรู้กฎขั้วบนรู้ผลขั้วบนรู้ผลขั้วบาปเขาก็ละความชั่วเข้ามาทําความดีวัดเป็นศูนย์กลางในการทําความดีท่านนี้เป็นอันว่า ประโยชน์เขประโยยิธินี้ประโยชน์ใหญ่มากทําให้คนมีความเข้าใจตั้งใจในแดนเขตแดนของความสงบสุขแล้วก็ปลดเลื่อนความทุกข์คือไม่ทําความทุกข์ให้เกิดแก่ผู้อื่นเอาละบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนเดื่อวเพื่อนพิสุทธิ์สมณีนทั้งหลายทัญญานยานบอกบทเ ว, าวลาปรากฏแล้วขอลาก่อนสําหรับประโยชน์ถึงการเจริญมโยยิธิก็หยุดแต่ถึงแ่านี้ข้อความส่งสวัสดิ์พัฒนามงคล สมบูรณ์ผลผลจงมีแดบรนดาเถพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี